1>, 1. จีวรวัค 6. อัญญาตกะวินยติสิกขาบทว่าด้วยการออกปากขอเครหัสผู้ไม่ใช่ญาติเรื่องพระอุปนันทศากยบุตรท1 5 15. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถยินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุปนันทษากยบุตรเชี่ยวชาญการสแสดงธรรมีกถา บุตรเศรษฐีคนหนึ่งเข้าไปหาท่านทั้งที่อยู่พรั้นถึงแล้วจึงไหว้ท่านนั่งหน้าที่สมควรลำดับนั้นท่านพระอุปนันทศักยบุตรได้ชี้แจงให้บุตรเศรษฐีเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเล้าใจให้อาถานแกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาบุตรเศรษฐีนั้นอันท่านพระอุปนันทศักยบุตรชี้แจงให้เห็นชัด ชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแก้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วจึงประวัรณาท่านพระอุปนันะสักยบุตรว่าท่านผู้เจริญพระกุณเจ้าพึงบอกปัจจัยสี่คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิดานปัจจัยเพสัชบริคารที่ท่านต้องการซึ่งกระผมพอจะจัดหามาถวายได้ท่านพระอุปนันธสักยบุตร กล่าวว่าถ้าโยมต้องการถวายแก่ตมาก็จงถวายผ้าผืนหนึ่งจากผ้าที่โยมนุ่งหฮมอยู่นี้เขากล่าวว่ากระผมเป็นคุรบุตรจะนุ่งผ้าผืนเดียวเดินกลับบ้านดูจะไม่เหมาะนิมน์รอให้กระผมกลับไปถึงบ้านก่อนแล้วกระผมจะส่งผ้าหนึ่งผืนจากสองผืนนี้หรือผ้าที่ดีกว่านี้มาถวายท่านพระอุปนันทสักกยบุตรพูดเป็ น, นครั้งที่สองว่า ถ้าโยมต้องการถวายแก่อาตมาก็จงถวายผ้าพื้นหนึ่งจากผ้าที่โยมนุ่งห่มอยู่นี้บุตรเศรษฐีก็ยังกล่าวปฏิเสธอยู่เหมือนเดิมว่ากระผมเป็นคุรบุตรจะนุ่งผ้าพื้นเดียวเดินกลับบ้านดูจะไม่เหมาะนิมนทร์ท่านรอให้กระผมกลับไปถึงบ้านก่อนแล้วกระผมจะส่งผ้าหนึ่งผื้นจากสองพื้นนี้หรือผ้าที่ดีกว่านี้มาถวายท่านพระอุปนันทักยบุตร ก็พูดรบเร้าเป็นครั้งที่สามว่าถ้าโยมต้องการถวายแกตมาก็จงถวายผ้าผืนหนึ่งจากผ้าที่โยมนุ่งห่มอยู่นี้แต่เขาก็คงพูดบายเบียงอยู่เหมือนเดิมบ้ากระผมเป็นกุลบุตรจะนุ่งผ้าผืนเดียวเดินกลับบ้านดูจะไม่เหมาะนิมนต์ท่านรอให้กระผมกลับไปถึงบ้านก่อนแล้วกระผมจะส่งผ้าหนึ่งผืนจากสองผืนนี้หรือผ้าที่ดีกว่านี้มาถวาย ท่านพระอุปนันทสักยบุตรกล่าวว่าท่านไม่ต้องการถวายก็จะปรณนาไปทําไมปรณนาแล้วไม่ถวายจะมีประโยชน์อะไรเมื่อถูกท่านพระอุปนันทสักยบุตรรบเราเขาจึงถวายผ้าหนึง่งผืนแล้วกลับไปถูกชาวบ้านถามว่านายทําไมนุ่งผ้าผืนเดียวกลับมาเล่าบุตรเศรษฐีนั้นจึงบอกเรื่องนั้นให้ชาวบ้านเหล่านั้นทราบชาวบ้านพากันตำหนิ ประณามพรทนาว่าพระสมณะเชื่อสายสักยบุตรมกักๆไม่สันโดษสมณะเหล่านั้นแม้จะนิมนต์ตามธรรมเนียมก็ไม่ใช่กระทำได้ง่ายฉะนั้นเมื่อบุตรเศรษฐีทำการนิมนต์ตามธรรมเนียมพระสมณะทั้งหลายก็ยังจะรับเอาผ้าไปเล่าพวกพิกจุได้ยินชาวบ้านตำหนิประนามพรทนาบรรดาภิกจุผู้มากน้อยสันโดษพากันตาหนิประนาม คนธนาว่าฉนาพระอุปนันทสักยบุตรจึงออกปากขอจีวรจากบุตรเศรษฐีเล่าครั้นพิกษุดเหล่านั้นตำหนิท่านพระอุปนันทสักยบุตรโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ